ธรามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบั tn ั้นเป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นขั้นๆไปปฏิบัติจากขั้นต่าไปสู่ขั้นสูงตามลำดับเพราะธรรมแต่ละขั้นจะสนับสนุนธรรมที่สูงขึ้นไป ถ้าจะปฏิบัติทำขั้นสูงโดยไม่ปฏิบัติทำขั้นต่ำก่อนจะไม่ได้ผลดังที่ปรารถนากันเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่ต้องศึกษาจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นอนุบาลไปสู่ขั้นปฐมขั้นมัธยม และขั้นอุดมศึกษาตามลำดับข้ามขั้นกันไปไม่ได้เพราะจะทำให้ไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติเป็นขั้นขั้นเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ขั้นสุดท้าย ขันแรกของการปฏิบัติธรรมก็คือการให้ทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นที่สามก็คือขั้นภาวนาที่แบ่งเป็นสองขั้นคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทำเหล่านี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติจาก ขั้นแรกขึ้นไปเพราะจะสนับสนุนทำขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนจำเป็นจะต้องสร้างจากฐานรากขึ้นไปก่อนฐานรากแล้วถึงจะขึ้นเสาขึ้นคานขึ้นหลังคาขึ้นชั้นต่างๆได้ ถ้ายัางไม่มีฐานรากหรือฐานรากไม่แข็งแรงาตัวคานก็อาจจะพังลงมาได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติจากฐานขึ้นไปก่อนแต่สำหรับผู้ที่ในอดีตชาติเคยได้ ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนแล้วพอมาเกิดชาติใหม่นี้ก็สามารถปฏิบัติขั้นที่ได้ปฏิบัติไว้แล้วต่อไปได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นคนที่เคยบวชแล้วในอดีตแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ บวชต่อไปเลยก็ได้อย่างคูบาจารย์บางรูปเช่นสมเด็จพระสังฆราชที่ส่งสเสด็จลิพานโดยสวรรคตไปนี้ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเด็ก mm hmm. เป็นสามเณรนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตชาติท่านได้บวชมาแล้ว แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำทานไม่เคยรักษาศีลนั้นจะให้ไปบวชนี้ถ้าบวชก็เป็นการบวชชั่วคราวไม่ได้บวชแบบเอาจริงเอาจังแบบเป็นจริตนิสัยของตนบวชเพราะเป็นธรรมเนียมที่สังคมนิยมปฏิบัติกัน เป็นบวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามันดาก็บวชกันชั่วระยะสั้นๆสมัยก่อนก็ประมาณหนึ่งพันษาสามเดือนสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมากเวลาที่จะมาบวชจึงมีน้อยเพราะจะต้อง เอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปหาเงินหาทองหาวัตถุเข้าของต่างๆกันการบวชจึงลดระยะเวลาลงอย่างนี้บางทีก็บวชกันสิบห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างหรือถ้าบวชเป็นพิธีก็บวชเช้าสึกเย็นแล้วบวชหน้าไฟในงานศพ เวลาบิดามารดาตายไปยังไม่ได้มีโอกาสบวชทดแทนก็เลยขอบวชในวันที่จะเผาศพ บ, บวชตอนเช้าแล้วก็ศึกตอนเย็นหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้วการบวชแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการบวชแบบจริงจังการบวชจริงจังนี่ต้องเป็นการบวชแบบไม่ศึกกัน จึงะเรียกว่าเป็นการบวชที่แท้จริงดังนั้นการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านจึงต่างกันไปบางท่านก็ทำทานได้อย่างง่ายดายชอบใส่บาตรชอบไปทำบุญาตามวัดตามวาต่างๆมีงานบุญที่ไหนก็ชอบไป ก็แสดงว่าในอดีตชาติเคยได้ทำบุญมาอย่างโชคโชนแล้วติดเป็นนิสัยแล้วได้มีความรู้สึกที่ดีกับการได้ทำบุญคือได้ความสุขใจเวลามีโอกาสมีกำลังก็จะไปทำบุญสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำบุญทำทานมาในอดีตก็จะไม่ทำ จะไม่ชอบทำชอบที่จะเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะทำก็ทำแบบเสียไม่ได้เช่นถูกรับเชิญให้ไปร่วมงานทำบุญเรื่มมีการแจกซองกระถินผ้าป่าก็อาจจะทำไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาท หรือทำไปเนื่องในวันมงคลต่างๆเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันนักขัตฤกิกวันเช่นวันวิสาขะมาฆะอาสาลหหบูชาเป็นต้นก็เป็นการทำไปตามธรรมเนียมยังไม่ได้ทำจากนิสัยใจคอไม่ได้ทำจาก อความชอบที่จะทำเพราะในอดีตชาติไม่ได้สะสมการกระทำบุญไว้จึงไม่ได้ติดมาเป็นนิสัยสำหรับผู้ที่ได้ทำมาแล้วติดเป็นนิสัยแล้วจะชอบทำบุญทาทานถ้าทำบุญแล้วก็จะทำให้มีกำลังที่จะ ปฏิบัติทำขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปรักษาศีลห้าก็อาจจะรักษาเป็นเพียงบางวันไปก่อนในระยะเริ่มแรกสำหรับบางท่านถ้าเคยอดีตเคยรักษาศีลมาตลอดเวลาแล้วก็จะสามารถรักษาศีล ได้ทุกวันบางท่านยังรักษาไม่ได้ทุกวันก็ขอรักษาในวันพระก่อนเช่นวันนี้ก็เป็นวันพระคนที่ไม่เคยรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลก็จะมารักษาศีลกันในวันพระกันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การรักษาศีลเพิ่มมากขึ้นไปรักษาจาก หนึ่งวันเป็นสองวันสามวันพอเมื่อเริ่มรักษาศีลไปก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีลทำให้จิตใจมีความสงบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นความวิตกความกังวลความหวาดกลัวต่างๆก็น้อยลงไปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ ไม่รักษาศีลก็หายไปก็เห็นคุณค่าของการรักษาศีลก็จะรักษาให้มากขึ้นไปจนสามารถรักษาได้ทุกวันพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็จะอยากจะรักษาศีลแปดขึ้นมาก็จะลองรักษาในวันพระก่อนเป็นวันแรกถ้าไปอยู่วัด เขาก็เรียกว่าเป็นการไปรักษาอุโบสถศีลคำว่าอุโบสถศีลก็คือศีลแปดที่รักษากันอยู่ในพระอุโบสดพอสัตยาญาณโยมเวลาไปรักษาศีลในวันพระก็จะไปปฏิบัติธรรมกันในพระอุโบสดเป็นที่มีพระสงฆ์นำสวดมนต์ไหว้พระมีพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา แล้วก็นำพาปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปก็คือขั้นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่ก็เป็นการเริ่มต้นทำไปในวันพระวันหยุดทำงานไม่ต้องไปทำมาหากินมีเวลาว่างก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรม เพราะที่วัดจะมีอุปกรณ์มีบุคลากรสมบูรณ์กว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านบรรยากาศก็จะดีกว่าสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าจะสงบกว่าจะไม่มีพวกรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าอยู่ที่บ้านจะมีบุคคลที่ไม่ได้รักษาศีล ไม่ได้ภาวนาะเขาก็จะวุ่นอยู่กับการหาเกินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆฟังอะไรต่างๆไปถ้าอยู่ใกล้ก็จะนำขานใจรบกวนใจได้จะทำให้การรักษาศีลยากลำบากเช่นเวลาตอนเย็น มีคนรอบข้างเขารับประทานอาหารกันกลิ่นอาหารโชยเข้ามาในจมูกก็จะทำให้ใจที่ยังไม่แข็งแกร่งยังไม่มีหลักมีแกนนี้อ่อนไหวได้และอาจจะทำให้ศีลขาดได้เพราะทนไม่ไหวกับการที่จะต้องอยากรับประทานอาหารร่วมกับเขานี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ ว่าทำไมผู้ที่รักษาศีลแปดศีลอุโบสถและเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาไปอยู่วัดกันเพราะที่วัดนี้เป็นบรรยากาศที่ดีกว่าที่สงบกว่าอ่างกายจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็อยู่ร่วมกับบุคคลที่ปฏิบัติคล้ายคลุนกัน รักษาศีลแปดด้วยกันไม่รับประทานอาหารเย็นด้วยกันร่วมปฏิบัติธรรมกันร่วมฟังเทศฟังธรรมกันบรรยากาศทางการไปอยู่วัดจึงเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นภาวนาขั้นรักษาศีลแปดก็มักจะต้องไปปฏิบัติที่วัดกัน หรือไปปฏิบัติที่เหมือนกับวัดก็คือที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงเกิื่นลดผลพะะที่ที่สงบสงัดวิเวกที่ไม่มารบกวนมาทาลายการทําความสงบของใจการภาวนาสมถภาวนาถ้าได้เริ่มทําแล้ว ถ้าได้รับผลเห็นผลที่เกิดจากการภาวนาเห็นผลที่เกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยจะได้พบกับอนิสง์ของการฟังธรรมอยู่ถึงห้าประการด้วยกันคือจะได้ฟังธรรมที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้าอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปลึกเข้าไปกว้างเขกว้างออกไปสามจะช่วยกำจัดความดังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สี่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใสถ้าได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และอย่างอย่างมีสติจดจออยู่กับการปฏิบัติผลก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาดังที่ได้แสดงไว้เวลาฟังเทศฟังธรรมจะได้ผลเหล่านี้ก็จะทำให้เห็นคุณค่าของการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นเหมือนกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาก็เพื่อที่จะ จเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองคือปัญญาปัญญาที่จะมาทำให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆถ้าไม่มีปัญญาจะไม่เห็นโทษของตัณหาความอยากต่างๆ จะไม่รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังธทมอยู่เรื่อยๆก็จะได้ยินวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ยินว่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและของการเวียนว่ายตายเกิด และการที่จะกำจัดกิเลสตัณหานี้ก็ต้องใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้แต่สัตว์โลกอย่างพวกเราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะถูกโมหะาอาวิชชาความหลงความมืดบอดครอบงำอยู่ทำให้ไม่เห็นครบขับ้วบท่วนทุกกระบวนการ เห็นเพียงบางส่วนเห็นส่วนที่ชอบเท่านั้นส่วนที่ไม่ชอบจะไม่เห็นคือจะเห็นแต่ความเจริญของสิ่งต่างๆและเห็นความสุขที่ได้มากับความเจริญเห็นเพียงด้านเดียวไม่เห็นอีกด้านหนึ่งที่มาด้วยกันคือด้านที่จะต้องเสื่อมลงไปทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อมีเกิดแล้ย่อมมีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาดังที่ผู้ที่บรรลุโสดาบันนี้จะเห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมดายที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นการเกิดและการดับก็จะเห็นความสุขและความทุกข์ของการเกิดและการดับ ก็จะไม่เห็นเพียงแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทั้งสุขและเป็นทั้งทุกข์จะเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะได้สุขก็ต้องได้ทุกข์มาด้วยถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องไม่เอาความสุขจากสิ่งต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะตัดความอยาก ในสิ่งต่างๆได้เพราะไม่อยากจะต้องมาทุกนั่นเองแต่ถ้าไม่เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็จะไม่เห็นความทุกข์ของสิ่งต่างๆก็จะทำให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆมาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆแล้วพอพอเวลาผ่านไปก็จะลืมความทุกข์นั้นอี แล้วก็จะเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆใหม่ขึ้นมาอีกเพราะไม่มีความสุขในตัวเองนั่นเองยังต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกแต่ถ้าได้เจริญสมัมมาทัปพวนาทำใจให้สงบก็จะได้ความสุขในใจขึ้นมาและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ ได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้ามีความสุขทางใจแล้วก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากต่างๆได้ถ้ามีปัญญาเห็นว่าการกระทําตามความอยากนั้นนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของการ ไปอยู่วัดในวันอุโบสถอย่างวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพระพุทธบริษัทสาธุชนที่ใฝ่การปฏิบัติใฝ่การฟังเทศฟังธรรมก็จะไปอยู่วัดกันเป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ เราก็อาจจะไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนก็ได้ถ้ามีเครื่องเสียงไว้เปิดฟังหรือมีหนังสือไว้อา่านหนังสือธรรมะไว้อา่านแล้วถ้ามีสถานที่สงบเงียบไม่มีใครมารบกวนไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลภะ ก็สามารถที่จะอยู่ในสถานที่เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องไปวัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้การไปวัดกลับไม่สงบไปเสียแล้วเพราะแทนที่จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกลับมีกิจกรรมทางโลกเข้ามาแทรกเช่นวัดต่างๆก็จะมีเมนเผาศพกัน มีผู้คนเข้าออกกันเป็นจำนวนมากเพื่อมาทำชาปนิกิจกันหรือมีงานบุญงานฉลองงานอะไรต่างๆกันวัดแทนที่จะเป็นสถานที่สงบกลับกลายเป็นเหมือนกับศูนย์การค้าไปมีคนพุกพล่านมีการเสพรูปเสียงกินลถโพธิภพกัน บางแห่งก็มีถึงมีมหรสพเข้ามาถึงในวัดเลยอันนี้ถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าต้องเป็นวัดที่สงบสงัดปราศจากกิจกรรมต่างๆนอกจากการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเท่านั้น ถึงจะเรียกว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นวัดที่จะสามารถบาเพ็ญรำขั้นสูงได้คือขั้นศีลแปดและขั้นสมถะและวิปัสสนาภาวนาพอรักษาศีลแปดได้การภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายต่างจากการรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลห้านี้ กิเลสตัญหายัางมีช่องออกมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้แก่ะจได้เพราะศีลห้านี้ยังไม่ละเอียดพอถ้าเป็นกรงก็ยังห่างมันสามารถเล็ดลอดออกจากกรงได้มีช่องให้เล็ดลอดออกจากกรงได้แต่ถ้าศีลแปดนั้นมันจะลูกกรงจะถี ไม่สามารถเล็ดลอดออกมาทางตาหูจมกูกรินกายได้เช่นถ้าถือศีลห้าศีลข้อสามนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมทางเพศกันยังสามารถมีกิจกรรมทางเพศกันได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปดก็จะต้องตัดกิจกรรมทางเพศไปเมื่อตัดกิจกรรมทางเพศไปก็จะมีเวลา ที่จะได้เอามาใช้ในการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมในการบำเพ็ญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาเช่นเดียวกับศีลข้อที่หกการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่มาภาวนาแทนที่จะมีเวลามา แทนที่จะใช้เวลาไปกับการเตรียมอาหารรับประทานตอนเย็นกันหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารอีกต่อไปและความว่วงเหงาหาวนอนนี้ก็จะมีน้อยลงไปกว่าการที่รับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเย็นพอรับประทานเสร็จแล้ว ก็จะ ก, การง่วงเหงาหานอนจะไม่สามารถภาวนาได้ก็อยากจะนอนแล้วถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะนอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงที่ให้ความสุขความสบายต่อร่างกายก็จะทําให้นอนเป็นเวลายาวนานแทนที่จะนอนพักผ่อนเพียงให้ร่างกายได้พักผ่อนกับนอนเพื่อให้เกิดความสุขจากการหลับนอน ปกติร่างกายนี้ต้องการพักครั้งละสี่ห้าชั่วโมงก็พอพอตื่นขึ้นมาแล้วถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากตื่นเพราะมันมันสุขมันสบายก็จะนอนต่อยาวไปอีกหลายชั่วโมงแต่ถ้าถือศีลแปดก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงให ญ, ใหญ่จะนอนกับพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือด้วยเสือ้อ เพื่อที่จะได้ไม่สุขจนเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะเติ่นขึ้นมาพอเติ่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายไม่สุขสู้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่ามาสวดมนต์มาภาวนาทาใจให้สงบเอาความสุขจากความสงบของใจ ดีกว่าเอาความสุขจากการหลับนอนนี่คือความแตกต่างระหว่างศีลห้ากับศีลแปดศีลแปดก็ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่ศีลห้าไม่ได้ห้ามไว้ศีลห้านี้อนุญาตจะไปเที่ยวข้างนอกบ้านก็ไปได้จะไปดูภาพประยนตร์อย่าไป งานบันเทิงต่างๆงานเลี้ยงตอนค่ำตอนคืนไปได้หมดไม่ได้ห้ามแต่ถ้าถือศีลแปลดแล้วก็จะไปไม่ได้จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานอันนี้ก็จะทำให้มีเวลา มาภาวนาได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมได้ถ้าไปเที่ยวกันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาภาวนากันนี่คือความแตกต่างระหว่างศีลห้ากับศีล8ปแล้วยิ่งถ้ า, าให้อยากให้ศีลละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องถือศีลของนักบวชโดยของพระก็227ยข้อ ของภิกษุณีที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็สามร้อยกว่าข้อเป็นข้อควบคุมบังคับให้จิตใจอยู่ข้างใ น, ใ ห, ใ, นาาาให้อยู่ในวัดวาอารามให้อยู่ในบริเวณที่จำกัดไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านไปทั่วไปหมดเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตะภาวนา โดยเฉพาะส ม, มัตภาวนาคือการทำใจให้สงบใจจะสงบนี้จาเป็นจะต้องอกักการร่างกายเพราะการกักการร่างกายก็เท่ากับการกักการจิตใจไปในตัวจิตใจอยากจะไปนู่นมานี่ก็ไปไม่ได้ถ้าเราบังคับให้ร่างกายอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ไม่ให้ออกไปจากบริเวณนั้นเช่นอยู่ในที่พระอุโบสถถ้าเป็นญาติโยมที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติก็จะไปรวมกันอยู่ในพระอุโบสถสําหรับผู้ที่ก้าวหน้าแล้วสามารถปฏิบัติตามลําพังได้ก็จะไปอยู่ที่พักที่สงบที่ใดก็ได้แล้วก็ควบคุมบังคับกายไม่ให้ไปทําอะไร นอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี้ก็เป็นการภาวนาสาเหตุที่ต้องเดินสลับกับการนั่งก็เพื่อผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่างกายนั่นเองแต่การภาวนานี้เหมือนกันเดินจงกรมก็เป็นการภาวนานั่งจงกรมก็เป็นนั่งสมาธิก็เป็นการภาวนาเช่นถ้าเดินจงกรมแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธไป ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาเป็นการเจริญสติเวลานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ร่างกายอยู่ในท่านั่งหรือท่าเดินเท่านั้นแต่งานของจิตใจนี้เป็นงานอันเดียวกันคืองานทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติควบคุมบังคับ ไม่ให้ใจลอยไปกับอารมณ์ความคิดต่างๆใจนี้ก็เป็นเหมือนคนที่ตกลงไปในน้ำที่มีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าไม่ต้องการให้น้ำพัดพาไปก็ต้องหาที่เกาะถ้าไม่มีที่เกาะน้าก็จะพัดพาไปและอาจจะทำให้จมน้ำตายได้แต่ถ้ามีที่ยึดที่เกาะก็จะปลอดภัย ใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่มีสติใจก็จะลอยไปตามกระแสะอารมณ์ความคิดต่างๆแล้วก็จะต้องไปพบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแต่ถ้ามีที่ยึดมีที่เกาะเช่นมีสติยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติสังคานุสติ อาณาปณ ะ, ะสติมารณานุสติเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้อุทาโนสติธรรมาโนสติสังคานุสติก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราเลืกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นการสวดบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือถ้าจะใช้การ เราเลึกถึงชื่อก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆแล้วลึกไปเพียงอย่างเดียวอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือจะถ้านั่งเฉยๆไม่อยากจะบริกรรมเวลานั่งสมาธิก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้การดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอาณาปานาสติ อานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือให้รู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจเรียกว่าอานาปาันสติให้รู้อยู่เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นลมจะยาวปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของหลมการภาวนาไม่ได้มามาควบคุมบังคับการหายใจ แต่การมาควบคุมความคิดปรุงแต่งของสังขารความคิดปรุงแต่งของใจให้ด้วยการดูลมหายใจเข้าออกให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เห็นชัดเอบางท่านก็ดูที่ปลายจมูกบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาเป็นลมที่เข้าออกสัมผัสกันร่างกายก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น ให้รู้เฉยๆท่าน้เองว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าหรืองลมกําลังออกลมหยาบเรื่องลมละเอียดลมยาวเรื่องลมสั้นนให้รู้ไปตามความจริงของลมถ้าลมละเอียดเข้าไปมากๆจนไม่สามารถรับรู้ว่าลมมีหรือไม่มีก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้อยู่กับความว่างไปรู้อยู่กับความที่ไม่มีลมไป ตราบใดถ้าไม่มีการคิดปรุงแต่งก็ยังถือว่ากําลังภาวนาอยู่กําลังนําใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไม่เกิดอาการตกใจกลัวหรือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบตามลําดับต่อไปถ้าเกิดความตกใจกลัวว่าไม่มีลมหายใจกลัวว่าจะตายใจก็จะถอนออกมาจะถอนออกมาหาลม เพราะกลัวว่าถ้าไม่มีลมแล้วจะตายสำหรับผู้ที่ภาวนาอานาปนานสตินี้ท่านสอนว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเวลาไม่สามารถรับรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกหรือไม่นั้นตาบใดที่มีสติมีผู้ละรู้รู้อยู่นี้ร่างกายนี้จะไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ปฏิบัติอานาปนานสติมานั้นไม่มีใครตาย ในเวลาที่ไม่สามารถรับรู้ว่ามีลมอยู่หรือไม่แล้วเพราะเวลานั้นจิตละเอียดลมก็ละเอียดก็จะพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไว้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็จะวุบลงไปเข้าสู่ความสงบได้เวลาเข้าสู่ความสงบ เรื่องของลมเรื่องของร่างกายก็หายไปจากการรับรู้ของใจอยู่กับความว่างเหมือนลอยอยู่ในอวกาศได้เป็นความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าได้พบกับความสุข น, นี้แล้วก็จะทำให้เกิดกำลังจิตกาลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้น และให้สูงขึ้นถ้าตอนต้นก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นให้จิตสงบให้มากขึ้นไปก่อนให้ชำนาญให้สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการและตั้งอยู่ได้นานๆไปก่อนยังไม่ต้องไปกังวลว่าจะติดสมาธิเพราะยังไม่มีสมาธิที่จะติดนั่นเองต้องพยายามทำไปบ่อยๆ ทำให้มากๆให้จิตสงบมากๆสงบนานๆสงบอยู่เรื่อยๆก่อนจนมีความมั่นใจว่าสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยก้าวขึ้นไปสู่ทำขั้นสูงต่อไปคือการภาวนาส ม, มะถะคือวิปัสสนาภาวนา จากสมถาภาวนาก็จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนาการเข้าสู่วิปัสสนาภาวนานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทิ้งสมถะภาวนาแต่ให้ทําสลับกันไปคือตอนต้นก็ให้เข้าไปในสมาธิก่อนเข้าไปพักจิตเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้วเวลา ออกจากสมาธิมาถึงค่อยมาเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่าเจริญวิปัสสนาภาวนาในขณะที่จิตตั้งอยู่ในความสงบสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นไม่ใช่เป็นการเว้นเวลาที่จะมาเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นเวลาที่จเจริญสมถะภาวนาเพื่อสร้างอุเบกขาธรรมให้เกิดขึ้นเพราะจำเป็นจะต้องใช้อุเบกขาธรรม ในการที่จะสนับสนุนในการจเจริญวิปัสสนาภาวนาการจเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือให้พิจารณาธรำต่างๆที่ใจยังไปหลงยังไปเห็นว่าดิบเห็นว่าดีเห็นว่าสุขอยู่ยังอยากมียังอยากได้อยู่กับสิ่งใด ก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลามันจากเราไปเป็นของคนอื่นไปก็จะทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจและอาจจะเป็นบา้าปกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปก็ได้เพราะอํานาจของความทุกข์ใจของความเสียใจ ที่จะรุนแรงมากพราะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้มาที่ตอนรักที่ตนหวงนี้จะต้องมีการพัดพาคจากกันไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วนี่คือวิปัสสนาออกจากสมถภาวนาก็มาพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆที่ใจยังหลงรักหลงชอบยังอยากได้อยากมีอยู่ถ้ายัง รักชอบลาบยศสารเสริญสุขก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขให้เห็นว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องเสียไปหมดไปถ้าปล่อยลาบยศสารเสริญสุขได้ก็มาพิจารณาบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบที่เรามีความผูกพันมีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอด เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้ไปในที่สุดเขาจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราพี่น้องของเราบุตรทิดาของเราเพื่อนของเราคำว่าของเราของเรานี้ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง เป็นอนัตตาเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวอยู่กับเราไม่นานแล้วก็ต้องมีการจากไปเขาไม่ไปเราก็ไปนี่คือสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้ามาพิจารณาที่ร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาก็ต้องสอนใจ ให้รับกับสภาพของความแก่ให้ได้รับกับสภาพของความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้รับกับสภาพของความตายของร่างกายให้ได้ด้วยการยกประเด็นขึ้นมาสอบถามใจด้วยการไปดูตัวอย่างดูคนที่แก่แล้วน้อมกลับเข้ามาที่ร่างกายของตน่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ ไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลหรือเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเรารับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ไปดูความตายของบุคคลที่เขาตายไปแล้วแล้วก็น้อมกลับเข้ามาที่ร่างกายของตนเองว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ หนีไม่พ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่างกายของทุกคนจะต้องพบกันถ้าสอนใจที่มีอุเบกขาใจจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกเดือดร้อนใจจะน้อมเข้ามารับได้เพราะใจเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเป็นเพียงแต่ผู้มาครอบครองร่างกายเป็นเหมือนเจ้านายส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้เวลาคนรับใช้เป็นอะไรเจ้านายก็ดูแลไปตามความเหมาะสมรักษาได้ก็รักษากันไปรักษาไม่ได้ตายไปก็เอาไปทำชาปน ก, กิจใจไม่ได้ตายเจ้านายไม่ได้ตายไปกับคนรับใช้ จะไปตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไปทําไมเพราะไม่ได้ตายผู้ที่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวนี่ไม่ใช่ร่างกายนั่งกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้เขากลับไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขาเขาไม่มีการรับรู้อะไรทั้งนั้นเขาเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาที่เราเอาท่อนไม้ท่อนฟืนมาตัดเอ มาพามาโยนเข้ากองไฟตน้นท่อนไม้ท่อนเฟืนเขาไม่รู้สึกอะไรร่างกายก็อย่างนั้นเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟืนเป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพอโยนเข้าไปในกองไฟเขาก็ไม่ได้ร้องหม่มร้องไห้เขาไม่ได้ต่อต้านไม่ได้พยายามดิ้นที่จะหนีจากกองไฟนั้นผู้ที่ต่อต้านผู้ที่ดิ้นนั้นก็คือใจ ที่ครอบความร่างกายแต่เวลาที่ร่างกายหมดลมหายใจไปแล้วใจก็จะไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั่นเองร่างกายจะเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนไปไม่เดือดร้อนกับาการกระทาต่างๆกับร่างกายไม่ว่าจะไปผ่าไปดัดไปเย็บไปเผาไปฝังหรือไปทาอะไรกับร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อน ผู้ที่เดือร้อนคือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงถูกความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกายเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาวิปัสสนาก็เพื่อมาสอนใจให้รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกาย ที่จะต้องเป็นไปอย่างแน่นอนถ้าใจมีกำลังของอุเบกขาที่ได้จากสมถาภาวนาใจจะไม่รู้สึกสะทกสะทานเวลาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายจะสามารถรับรู้ได้อย่างสงบแต่ถ้ามีอาการที่ไม่สงบเกิดขึ้นก็แสดงว่ากำลังของอุเบกขานั้นอ่อนลงไปหรือหมดแล้ว เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ต้องพักการเจริญวิปัสสนาภาวนาไว้ชั่วคราวแล้วกลับมาบำเพ็ญส ม, มถาภาวนาเพื่อสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นมาใหม่กลับเข้าไปอยู่ในความสงบอยู่ให้นานเท่าที่จิตจะต้องการอยู่พอจิตได้พักเต็มที่แล้วจิตก็จะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วก็ เอาไปจเจริญวิปัสสนาต่อไปไปทำโจทย์ที่ยังทำไม่ได้ไปทดสอบถามใจว่าถ้าเสียคนนี้ไปแล้วจะร้องห่มร้องไห้หรือเปล่าจะเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเสียคนนี้ไปจะเดือดร้อนไหมถ้าร่างกายเราเสียไปจะเดือดร้อนไหมถ้าร่างกายเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะเดือดร้อนไหมถามไปเรื่อยพิสูจน์ไปเรื่อย จนในที่สุดก็จะมีความมั่นใจว่าไม่เดือดร้อนแล้วกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายอันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการบาเพ็ญสมวิปัสนาภาวนาที่ยงเป็นจะต้องทำสลับกับการเจริญสมถะภาวนาเพราะสมถะภาวนาเป็นเหมือนที่พักผ่อนหลับนอนเหมือนร่างกายของเรานี่ เราต้องมีบ้านพักผ่อนหลับนอนกินข้าวกินปลาแล้วพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ไปที่ทำงานไปทำงานกันพอทำงานเสร็จเหนื่อยเราก็ต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมารับประทานอาหารวิปัสสนาก็เป็นที่ทำงานของใจและสมถภาวนาก็เป็นที่พักผ่อนของใจนั่นเองถ้าใจ จเจริญแต่วิปสัสสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสมถภาวนาไม่มีอุเบกขาใจก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเป็นอุทธัจจะไปเวลาจเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสมาธิเป็นผู้ที่สนับสนุนปัญญาจะไม่เป็นปัญญาจะกลายเป็นอุทธัจจะเป็นความฟุ้งซ่านไปดังนั้นการภาวนาที่จะให้ได้ ผลจำเป็นจะต้องมีทั้งสมถภาวานาสลับไปกับวิปัสสนาภาวานาและสมถภาวานานี้ก็มีสมาธิคือความสงบอยู่สองรูปแบบด้วยกันที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิที่ไม่นิ่งเป็นสมาธิที่มี เหตุการ์ต่างๆปรากฏให้รับรู้เช่นรูปเสียงภายในใจเห็นนู่นเห็นนี่พบนู่นพบนี่ถ้ามีการเห็นเหล่านี้แล้วไปสนใจให้ความสำคัญติดตามไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเหตุที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็เพราะว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีอุเบกขาเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะสนับสนุน การจเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ถ้าออกจากสมาธิแบบนี้มาพอไปพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่สามารถพิจารณาได้ไม่อยากจะพิจารณามีความหดหู่มีการต่อต้านมีความรู้สึกไม่ดีมีความกลัวจากการที่จะต้องพิจารณ า, าทำที่ยากต้องเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใดที่มีจริตนิสัยที่ชอบสมาธิแบบนี้พอเข้าไปแล้วจะต้องเห็นหนู่นเห็นนี่จะต้องไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปพบกับกายที่ต่างๆขอให้รู้ว่าสมาธิแบบนี้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่เอือ้อต่อการบาเพ็ญสมถวิปัสสนาภาวนาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้าติดสมาธิแบบนี้แล้วก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะจะไม่มีปัญญาที่จะมาทําลายตันหาความอยากที่คอยฉุดากจิตใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆสำหรับผู้ที่มีนิสัยจริตทางนี้ขอให้หยุดไว้ก่อนเวลานั่งสมาธิแล้วมีสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาให้รับรู้ ให้ใช้วิธีแก้ด้วยการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจอย่าเป็นพุทโธก็ได้เป็นนมหายใจเข้าออกก็ได้สิ่งใดที่เราใช้ที่เราถนัดให้ใช้อันนั้นแล้วให้เกาะติดไปจนกว่าจิตจะสงบจิตจะว่างจิตจะเย็นจะสบายแล้วภาพต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจหายไปหมด อันนั้นเราก็จะได้เข้าสู่สัมมาสมาธิจะได้อุเบกขาเป็นผลตอบแทนเวลาออกจากสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็จะมีกําลังที่จะมามองความจริงมาพิจารณาความจริงสัจจะทมความจริงคือความทุกข์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกัน เราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายกล้าที่จะมองกล้าที่จะเผชิญไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าเราสะใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้พิจารณาร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเป็นคนละคนกันร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจที่ พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังไม่มีความรู้สึกสะทกสะทานหรือหวั่นไหวแต่อย่างใดกลับจะปล่อยวางเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการสร้างสมุทัยขึ้นมาในใจสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ใจทุกขสัตว์เนี่ยทุกข์สัตว์เกิดจากสมุ ท, ทยสัตว สมุทัยศัสตร์ก็คือความอยากต่างๆเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใด ร, ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจกลับต้องมาทุกข์ทรมานแทนที่จะตั้งอยู่ในความสงบ แต่ถ้าพิจารณาเห็นโทษของความอยากแม่แก่อยากแม่เจ็บอยากไม่ตายว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจก็หยุดมันเท่านั้นเองพอหยุดความอยากนี้ได้ความทุกข์ทรมานใจก็หายไปตายอย่างสบายอยู่อย่างสบายเจ็บอย่างสบายแก่อย่างสบายคือนิโรษนิโรดก็คือความดับทุกข์ไม่มีความทุกข์ภายในใจ ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปจากหนุ่มสาวก็ต้องเป็นแก่จากสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจากการมีชีวิตอยู่ก็ต้องกลายเป็นการไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป นี่คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเพื่อกำจัดตัณหาความอยากต่างๆเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันทุกข์กับเรื่องใดก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นใช้ไตลัก์เข้าไปพิจารณาให้เห็นว่าที่ทุกข์เขาว่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้อยู่กับเราพอเขาจะจากเราไปเราก็ทุกข์อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะเขาเป็นอย่างนั้นก็ทุกข์อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์น่นี้ก็จะกำจัดความทุกข์ไปเรื่อยๆเวลาเกิดความทุกข์แทนที่จะไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้เปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ไปเปลี่ยนปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขามาเปลี่ยนใจเราดีกว่า อยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นหรือเอาไม่เป็นเราก็เปลี่ยนใจให้เป็นไปตามความเป็จริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็เอยากให้ก็อยากให้ก็เป็นอย่างนี้มันก็หมดเรื่องเขาอยากจะเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้ไปเราก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆพอเขาเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อีกแล้ว เนี่ยคือปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ข้างในใจเราอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ความโง่ของเราที่เรามองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ไม่สามารถไปสั่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอสู้เปลี่ยนใจเราดีกว่าฝนตกก็ใ ห, ให้ให้อยากให้ฝนตกมันก็อยู่ด้วยกันได้ ถ้าฝนตกเราอยากให้มันหยุดมันก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือเรื่องที่เราจะต้องสอนใจถ้าเราอยากจะกาจัดความทุกข์ต่างๆว่าเราต้องมาหยุดความอยากของเราอย่าให้มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจนี่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาที่จะนำไปสู่ธรรมที่เราปรารถนากันก็คือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ ความทุกขมันมีหลายกองหลายรูปแบบแล้วก็ต้องดับมันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะดับได้หมดทุกกองพอดับหมดทุกกองท่านก็เรียกว่านิพพานไปไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแต่ตราบใดยังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องหาสาเหตุของความทุกข์ให้เจอก็คือหาความอยากให้เจอว่ากำลังอยากกับอะไรแล้วหาวิธีหยุดมันต้องหาไตรลักษณ์เข้ามาหยุดมันได้ ให้เห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราให้ได้ถ้าเห็นแล้วมันจะดับได้เสมอจะ ด, ดับไปได้ทุกขั้นทุกตอนทุกรูปทุกอย่างดับด้วยใจรักนี้ทั้งหมดนี่คือวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องทำสลับกับสมถะภาวนาเวลาที่อุเบกขาอ่อนกำลังลงจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็ควรจะหยุดพิจารณา เพราะไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ถ้าเป็นปัญญาจะต้องไม่ฟุง้งซ่านจะต้องสงบจะต้องเบาขึ้นสุขมากขึ้นถ้าฟุงา้งซ่านทุกข์มากขึ้นนี้สแสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญญาแล้วต้องหยุดแล้วกลับมาที่สมถภาวนามาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่าให้มีความคิดเกิดขึ้นมาเป็นอันขาดเพราะมีแล้วจิตจะไม่สงบ เมื่อจิตไม่สงบก็จะไม่มีอุเบกขาที่จะออกไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจาเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาในแต่ละขั้นเพราะธรรมแต่ละขั้นนี้จะสนับสนุนธรรม ท, ที่ขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับถ้ายังไม่ทำทานก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนถ้าทำทานได้แล้วจะรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทาทาน พอรักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดขึ้นไปรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปดได้ก็จะบวชก็ได้รักษาศีลสองรอยิบเจ็ดก็ได้ถ้าบวชก็ได้แล้วรักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลาไปภาวนาไปเจริญสมถะภาวนาพอมีสมถะภาวนามีอุเบกขาก็จะสามารถออกไปทางวิปัสสนาภาวนาได้ พอมีวิปัสสนาภาวนาก็จะมีวิบุติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ออนี่คือทำรรที่พวกเราจําเป็นจะต้องเจริญกันเหมือนกับการศึกษาเราต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นปถมมัธยมชั้นอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีโทเอกตามลําดับเราข้ามขั้นไม่ได้ อ, อ, อยู่ปถมแล้วจะเข้ามาหาลัยเลยยังเข้าไม่ได้สอบก็ตก สอบก็เข้าไม่ได้อยู่ดียกเว้นเป็นอัจฉ ร, ริยะบุคคลเคยมีความรู้ความเฉลียวฉาดสะสมอยู่ในใจเด็กสมัยนี้บางคนนี้เรียนจบปริญญาตรีเพียยุแค่สิบเอ็ดสิบสองก็มีนั่นแสดงว่าเขามีของเก่าสะสมไว้มากพวกเราที่ไม่มีเราก็ต้องสะสมของที่เรายังไม่มีก่อนก่อนที่เราจะไปสะสมของที่เราอยากจะได้ คือบรณฑัญญาขั้นต่างๆะต้องเข้าอนุบาลเข้าปฐมเข้ามัธยมก่อนการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่มีทานก็ต้องทําทานให้ได้ก่อนต้องมีเจริญนิสัยชอบทําทานไม่ได้ทําด้วยความฝืนแต่ทําด้วยความชอบเห็นคุณประโยชน์ของการ ท, ทาําทานเพราะทําให้จิตใจมีความสุขทําให้จิตใจมีความเมตตาความเมตตานี้จะทําให้รักษาศีลได้ะ แล้วพอมีศีลก็จะภาวนาได้มีภาวนาได้ก็จะหลุดพ้นได้นี่คือทำขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตามตอนถ้าไม่อยากจะคว้าน้ำเหลวอย่าข้ามขั้นอย่ารีบร้อนจะเสียเวลาไปเปล่าๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับผล เช่นพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านจึงมีสถานภาพที่เรียกว่าสุปฏิปันโนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการนั่นเองพวกเราก็จะสามารถบรรลุผลได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นทุกตอนทุกประการ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริโุเติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกัปะติ อิชิตังปฏิตังตุลหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพโปรเตุสักาปาจันฑูปันราโสยธามณิโชติอรโสยธาสพิติโยวิวัจจานุสภโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวา อภิวาทนสีฤทธะนิจังวุธาปจายโนจตรมมารโธรรมวทานติอายุวโนโอสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้ โดยให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินคำถามและคำตอบได้อย่างชัดเจนหลังจากที่ปิดไม้แล้วก็ขอความกรุณางดตอบปัญหานดถามปัญหาใครอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรมีคำถามจากทางบ้านทางเฟซบุ๊กเข้ามาก็จะให้ถามผ่านทางนั้นไปก่อนอ มีไหมมีมว่าก่น<ข>อนนะค่ะพระอาจารย์คะถ้าอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วมันจะไม่มีอารมณ์เบือ่อหรือว่าจะไม่มีอารมณ์อคติสีลักษังกลัวหลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออถ้ามันสงบมันก็จะปราศจากอารมณ์ต่างๆแต่มันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานนี่ก็ต้องปฏิบัติไปดูไปใหม่ๆ ม, มันก็จะอยู่ได้เป็นพักๆว่าเดี๋ยวก็หายไป พอเพลสติปล่อยให้คิดปรุงแต่งต่อให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวอคติก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้่านก็ต้องพยายามรักษาใจให้อยู่ในอุเบกขาไปเรื่อยๆด้วยการระ ง, งับความคิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้ mm hmm. เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ถ้ารู้แล้วยังเกิดความคิดปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้สอนใจว่ามันเป็นเพียง อันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่มีความหมายมีมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจมีแต่เป็นภัยเป็นโทษกับจิตใจถ้าเป็นชอบก็เป็นทุกข์แล้วเพราะอยากจะได้ถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกข์แล้วเพราะกลัวเย็นอยาไปรักอยาไปชังถ้ายังมีรักชังอยู่ก็สแสดงว่ายังไม่เห็นว่าเป็นตายรักถ้าเห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็จะไม่รักไม่ชัง ไม่กลัวไม่หลงคำถามจากคุณธันชนุจิตเห็นจิตหมายความว่าอย่างไรคะเจิตก็เห็นจิตก็เห็นตัวเองนะเราเห็นเราตัวเราแล้วก็เราไม่ได้เห็นคนอื่นใช่ไหมถ้าเราเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นตัวเราจิตส่วนใหญ่ไม่ชอบเห็นจิตชอบไปเห็นคนอื่นเช่นชอบเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกัน เห็นแล้วก็เกิดตันหาความอยากกันขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจกันขึ้นมาถ้าดึงจิตกลับเข้ามาให้มองจิตจิตก็จะสงบเย็นสบายคาถามจากคุณชัยประสิทธิ์นั่งสมาธิแล้วจิต ด, ดิ่งจะต้องทำอย่างไรครับถ้าก็ต้องการให้มันดิ่งมันดิ่งก็ให้รู้ว่ามันดิ่ง มนเด่งแล้วมันก็จะเน่งแล้วมันก็จะเย็นจะสบายไปชั่วระยะหนึ่งสั้นยาวอยู่ที่กําลังของสติใหม่ๆจะอยู่เดียวๆแล้วก็จะได้งออกมาเพราะว่าสติยังไม่มีกําลังมากก็ตันหาความอยากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีกําลังมากที่คอยดันอยู่แล้วพอกําลังสติดันไปถึงข้างในปั๊บกำลังตันหาก็ดันออกมาเหมือนเล่นปิงปองกันตีไปหาเขาปั๊บเขาก็ตีกลับมาหาเรา เราก็ต้องตีกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องกลับมาฝึกมัจจาราสติใหม่ควบคุมความคิดปรุงแต่งยา่าคิดไปทางเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวจิตมันก็จะดิ่งเข้าไปใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปกําลังสติจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะนิ่งอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นจากเพียงระยะเวลาสั้นๆก็จะกลายเป็นระยะยาวนานขึ้นมาได้ถ้าอยู่สั้นเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิ ถ้าอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิให้นิ่งอยู่นานเหมือนกับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือถือนี่ถ้าชาร์จแ ป, ป๊บเดียวนี่ไฟมันเข้าไปนิดเดียวใช้แ ป, ป๊บเดียวก็หมดนะถ้าเราอยากจะให้มีไฟอยู่ในเครื่องนานๆใช้ได้นานๆเราก็ต้องชาร์จมันนานๆชาร์จให้มันเต็มพอแบตเต็มแล้วก็ออกมาใช้ได้เป็นเวลายาวนาน งานที่เราต้องทําก็คือวิปัสสนาเราต้องมาศึกษามองความจริงมามองความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆถ้าเราไม่มีกําลังอุเบกขาไม่มีแบตมันก็จะดูไม่ได้เหมือนเรามีแบตรชาร์จได้เดี๋ยวเดียๆพอจะไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้ก็พูดกันไม่ทันจบเรื่องก็าสายขาดไปซะแล้วแบตหมดซะแล้วต้องกลับไปชาร์จแบตใหม่อันนี้ก็แบบเดียวกัน การเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็เป็นการชาร์ตแบแบที่เราต้องการชาร์ก็คืออุเบกขานีพอเรามีอุเบกขาเราก็จะสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ไม่มีอคติถ้าเรามีไม่มีอุเบกขาเราจะมองสิ่งต่างๆด้วยความรักชังกลัวหลงเห็นภาพที่น่ากลัวก็กลัวละเห็นเห็นซากศพนี้ก็กลัวละทั้งๆที่เราก็อยู่กับซากศพมาตั้งแต่เกิด สร้างศพมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากร่างกายของพวกเราทุกคนนี้แต่เราไม่มองมันเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอยู่กับสรากศพพอเราไปดูสรากศพของคนอื่นก็เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะเราไม่มีอุเบกขาถ้าเราไม่มอุเบกขาใจของเราจะมองแล้วเฉยเฉยจะไม่มีความรู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นหวาดเสียวตกใจแต่อย่างใดนีเราต้องพยายามชาติแบตเข้าไปในอัปปนาสมาธิให้มากๆให้จิต ด, ดิ่ง แล้้้วใใหตังออยยููนนนนย่่นนนนาความสงบคำถามจากคุณมาเรียแสดงว่าชาติที่แล้วเราต้องเคยทำบุญมาพอสมควรจึงมาเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นหรอกการมาเป็นมนุษย์นี้เป็นช่วงระยะที่บุญกับบาปไม่มีกำลังพอที่จะเดิงไปทางใดทางหนึ่งบุญก็ไม่พอที่จะเดิงไปสวรรค์บาปก็ไม่พอที่จะเดิงไปอบาย ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาที่เราตายไปเส ม, มอราบาปมันมีมากกว่า บ, บุญมันก็จะเดึงเราไปอาบายพอกําลังของบาปที่ดึงไปอาบายมันมันหมดลงไม่สามารถดึงใจไว้ในอาบายได้มันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่าบุญไม่มีกําลังที่จะดึงไปสวรรค์เช่นเดียวกับเวลาที่เราทําบุญมากๆเวลาตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์พอบุญที่ดึงไปสวรรค์หมดกําลังลง ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้ก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับการมาชาติแบทเรื่องกับการมาสร้างหนี้มาทําบาป ก, ก็เป็นการมาสร้างหนี้สร้างหนี้แล้วก็ต้องไปใช้หนี้ในบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกแลจนกว่าหนี้จะหมดหรืออ่อนกําลังลงไม่สามารถที่จะ กัขังเราไว้ในคุกตารางของอบายได้แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบุญทำแล้วก็บุญก็ดึงไปสวรรค์พอบุญหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ชอบทำบุญก็กลับมาทำบุญต่อพวกที่ชอบทำบาปก็จะกลับมาทำบาปต่อมันก็จะวนกันไปสองระดับพวกทำบุญก็จะวนอยู่ในระดับสูงระดับที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าสุขคติพวกที่ทาบาปก็จะวนอยู่ในระดับ ต่ำที่เรียกว่าทุกขติหรืออบายแต่เปลี่ยนได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเกิดอยู่กับคนดีคนที่ชอบทำบุญพ่อแม่ชอบทำบุญพ่อแม่ก็พยายามดึงให้ลูกที่ชอบทำบาปไม่ชอบทาบุญนี้มาทำบุญถ้าทาไปเรื่อยๆแล้วติดเป็นนิสัยก็จะเปลี่ยนนิสัยจากการชอบทาบาปมาทำบุญได้ เช่นเดียวกับคนที่ชอบทำบุญถ้ามาอยู่กับครอบครัวที่ชอบทำบาปก็อาจจะถูกเขาดึงไปได้ถ้าการชอบทำบุญของเรายัางไม่ยังไม่ลึกพ อ, อยังไม่มีกำลังมากพอแต่ถ้ามันมีกำลังมากต่อให้ไปเกิดอยู่กับครอบครัวไหนเขาจะดึงไปทำบาปก็ไม่ไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกำลังที่จะไปทำบุญมากอยู่กับพ่อที่อยากจะให้อยู่ท้งโลกให้ไปทาสงฆ์คาไม่เป็นมาหาจากักรพัท่านก็ไม่ไป ท่านจะไปทางบุญะงั้นพยายามทําบุญให้มากๆจนกระทั่งมันมีกําลังที่จะไม่มีใครจะมาดึงเราไปทําบาปได้แล้วเราก็จะพ้นจากอาบาัติอ่ยเราคนนี้จังก็อย่างนี้บาดบอดเสื่อแบบม <c oughs> อพอเสื่อมันก็ทุบวุ่นวายใช่ไมต้องมาเปลี่ยนกันมาแก้กันอ่าตอนนี้กลับมาเป็นปกตินะเดี๋ยวก็เซล่อกอะ คำ ถ, ถามต่อไปคำถามจากคุณสายญาธรณีปกตินั่งสมาธิจิตจะลงเร็วลงลึกแต่ตอนนี้จิตไม่ลงแต่ยังอยู่กับคําบริกรรมและจิตจะถอนเร็วมากเลยทําให้ไม่ได้สมาธิเลยจะต้องทําอย่างไรคะก็ต้องฟืน้นฟู ก, กําลังของสติขึ้นมาใหม่อาจารย์ไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่องปล่อยปล่อยปะล้เลย กำลังของสติก็เลยอ่อนไปเหมือนกับที่หลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าก็ท่านเคยเข้าสมาธิได้แล้วพอท่านมาทำกรดอยู่เดือนหนึ่งท่านเลยไม่ได้จเจริญสมาธิพอจะกลับเข้าสมาธิเข้าไม่ได้แล้วทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเคยเข้าได้อย่างง่ายดายแต่พอหยุดการจเจริญสติไปชั่วคราวมาปรุงแต่งกับการทำกรด อพอทาเสร็จจะกลับเข้าสมาธิมันไม่เข้าสละนะเพราะมันไม่มีสติมีแต่ความอยากจะเข้ายิ่งอยากจะเข้ามันก็ยิ่งเข้าไม่ได้ใหญ่เพราะการจะเข้าสมาธิไม่ได้เข้าด้วยความอยากเข้าด้วยสติแล้วตอนหลังท่านก็ลองกลับมาทบทวนทบไปทบนมาก็เลยได้คำว่าอ๋อไม่มีสติท่านก็เลยกลับมาที่พุโทโธพุโทโธออท่านบริกรรมพุโทโธตลอดเวลาเดินยืนนั่งนอน เดี๋ยวไม่นานท่านก็กลับเข้าสู่สมาธิได้แสดงว่าสมาธิาสติอ่อนกำลังลงขาดการดูแลรักษาปล่อยปะละเลยมัวไปคิดไปทำเรื่องนั่นเรื่องนี้เลยไม่ได้เจริญสติพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิถึงแม้จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธแต่มันไม่มีกำลังพ อ, อก็เลยเข้าไม่ได้หรือเข้าได้เดี๋ยวเดียว ยังต้องขับมาเจริญสติให้มากขึ้นใหม่เหมือนกับรถที่เติมน้ำมันน้ำมันหมดเนี่ยอยากจะให้มันวิ่งมันก็ไม่วิ่งอยากจะให้มันวิ่งก็ต้องไปเติมน้ำมันใหม่ก่อนมันถึงจะวิ่งได้คำถามจากคุณกัญญาภรณ์ทำไมเวลาสวดมนต์ทีไรจะมีอาการหาวบ่อยมากคะทุกครั้งตอนเริ่มต้นสวดนะคะมันเป็นนิวรณ์ อุปสรรคที่จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบกิเลสมันชอบมาสร้างความง่วงนอนถ้ามันให้มันทําในสิ่งที่มันไม่ชอบแต่ถ้ามันนั่งดูทีวีนั่งเล่นไพ่นี่มันนั่งได้ทั้งคืนแต่พอมันนั่งสวดมนต์ได้สองสามคำมันก็เริ่มหาวอันนี้เป็นผลของกิเลสตัณหาของเราที่เราจะต้องฝืนสู้กับมันไปถ้ามันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดิน เราตัดสินใจกันแล้นเราขอให้ท่านจ้าอาม า, มาสิที่ได้ อ, อ, อ, อยู่ด้วยกันวันนี้ในที่นี้ที่จะน่าร่าไปปฏิบัติเพื่อความสุบความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ